ขึ้นข้อ5นะอ่านข้อหาปัมาวิพันธ์ในอาจอภิหิตากรรมลิงคัะถานั่นแหละทาหน้าที่เป็นประธานของกิงริยากรร ม, มวาจกมีบุญรุษและวาจะนะตรงกับกิริยาหนึ่งหนึ่งสุเทนะโอทโนปั จ, จเต 2. ตญาสัมปติโยอนุภูยันเต 3. มะยาสุขังอนุภูญาติ 4. เตนะคาโมคัตาาชียาติ 5. พระควตาวาจนังวุจติ 6. โยพาโลมัญญาตีพาลายังปันดิโตวาปีเตนะโส ภาโลจะปันดิตะมานีสะเวพาโลติวุจติในทีน่นี้ท่านพูดถึงปฐมาวิพัฒติที่ใช้ใน อ, อัตอภิหิตกรรมอภิหิตกรรมก็คือประโยคกรร ม, มวาจกนั่นเองเอาตัวกรรมขึ้นมาเป็นประธานเพราะกรรมตรงกันกับกิบริยาโดยบุรุษและวาจนะ ดังนั้นกรรมจึงถูกกิริยากล่าวดังนั้นครับว่าอภิหิตกรร ม, มะจึงแปลว่าตัวกรรมเนี่ยถูกกิริยากล่าวถึงคือมีบุรุษและวัจะนะตรงกันกับกิริยานั่นเองหมายถึงประโยชนกรรมที่เอากรรมขึ้นมาเป็นประทานพอเห็นตัวอย่างปุ๊บเราก็อ๋อเลยพอดูตัวอย่างบ อ, อ้ยบ่อยตัวเนี่ยสูเทนะโอทโนปัจจ เ, เตเนี่ยใช่ไหมมองเห็นติดตาแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ลืมตา สูเทนะโอทโนป จ, จเตดูนะ ส, สูเทนะเนี่ยเป็นตัวกัตตาแต่ลงตติยาวิพัตเพราะกิริยามันเป็นกรรมก็ต้องเอาก ร, รมถูกหงขึ้นมาเป็นประธานก็คือโอทโนโอทโนเป็นผู้เป็นผู้รับจากกิริยาเป็นกรรมที่ถูกหง น, นนั้นก็เอาตัวกรรมขึ้นมาลงปฐมาวิพัตให้เป็นประธานป จ, จเตมาจากป จ, จาธาเดิมนั่นแหละแต่ว่าลงยะปั จ, จัยให้เป็นกรรม และมีการอาเทศยะเป็นบุพารูปดังนั้นยะก็จึงเป็นจักะจะกกับเตวิพัตพอยะเป็นจะอีกก็เลยเป็นสองจะเป็นปัจจะเตปัจจะเตแปลว่าแ <c oughs> ปลว่า <c oughs> ไม่ปัจจเตแ <c oughs> ปลว่า <c oughs> หุงอยู่ย่อมหุงจะหุงสูเทนะโอทโนปัจจเตโอทโนข้าว <c oughs> สูเทนะอันพ่อครัว <c oughs> ปั จ, จเตย่อมหุงหุงอยู่จะหุงข้าวอันพ่อครัวหุงข้าวเป็นประธานใช่ข้าวเป็นประธานอโอทโนตัวนี้แหละที่เรียกว่าอภิหิตกรรมแหล ะ, ะโอทโนเนี่ยเป็นอภิหิตกรรมเป็นกรรมแต่ว่าขึ้นมาเป็นประธานอภิหิตกรรมก็คือกรรมที่เป็นประธานเป็นประโยคกรรม ข้อสอตายาสัมปติโยอนุภูยันติอนุภูยันเตตายาเป็นตัติยาวิพัฒน์แปลว่าอันท่านสัมปติโยเป็นอิถีลิงพู้หูพจน์ปัทมาวิพัตน์ก็เลยเป็นสัมปติโยสมบัติทั้งหลายอนุภูยันเตเป็นขิยาที่มีอนุอุปสรรคเป็นบทหน้าและมียะเป็นกรรม ปกติภูธานเนี่ยไม่มีกรรมเพราะเป็นธาตุที่ไม่มองหากรรมแต่พอใส่อนุอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นธาตุที่มีกรรมภูเฉยๆแปลว่ามีแปลว่าเป็นพอมีอนุอยู่ข้างหน้าก็จะแปลว่าเสวยอนุภูแปลว่าเสวยยะปัจจัยเป็นกรรมจึงแปลว่าถูกเสวยอันเขาเสวยอนุภูยันเตแปลว่าเสวยอยู่จะเสวยย่อมเสวย ดูนัตยาสัมปติโยอนุภูยันเตสัมปติโยสมบัติทั้งหลายสัมปติโยสมบัติทั้งหลายอะตยาอันท่านอนุภูยันเตเสวยอยู่สมบัติทั้งหลายอันท่านเสวยอยู่ไม่ต้องถูกเสวยอยู่ก็ได้เสวยอยู่ให้เฉยอือใช่สมบัติที่ท่านเสวยอยู่เนี่ยเป็นสมบัติทิพเป็นสมบัติมหาสารเป็นสมบัติที่มีค่ามาก ใช่ไหมเราจะอธิบายสมบัติไงสมบัติถูกท่านเสวยสมบัติที่เสวยได้นี่สมบัติอะไรสมบัติที่ที่เสวยได้สมบัติอะไรสมบัติเป็นทิพย์เลยโพคสมบัติไงใช่โพคะสมบัตินั่นแหละแปลว่าสมบัติที่ถูกเสวยหละโพคะแปลว่าบริโภคใช้สอยใช้จ่ายโพคสมบัติสมบัติที่จะต้องใช้จ่ายเป็นรายวันประจําประจําอืม โคคสมบัติต่อไปนะข้อสามมยาสุ ข, ขังอนุภูยติมะยาเป็นตัติยาวิพัตนแปลว่าอันข้าพเจ้าอันเราสุ ข, ขังเป็นประธานแปลว่าความสุขอนุภูยติเป็นกริยากรรมแปววลว่าเสวยอยู่ย่อมสเสวยมาเดิมนั่นแหละแปลประธานก่อนสุ ข, ขังความสุขมะยาอันข้าพเจ้า อนุภูยติย่อมเสวยเสวยอยู่อความสุขที่ข้าพเจ้าเสวยอยู่นี้เป็นความสุขที่ประเสริฐสุดความสุขถูกข้าพเจ้าเสวยถ้าจะพูดให้เป็นประโยคกัดก็บอกว่าข้าพเจ้าเสวยความสุขนั่นเองแต่ถ้าเอาข้าพเจ้าไม่เป็นประธานก็จะเน้นที่ค้าพเจ้าแต่ถ้าความสุขที่ข้าพเจ้าเสวยก็คือเน้นที่ความสุขข้อสี่เตนะคาโมคัฉียติ เตนะเป็นตัิยาวิพัฒ์แปลว่าอันเขาอันบุคคลนั้นคาโมแปลว่าบ้านหรือหมู่บ้านคัดฉียติเป็นคิยากรรมแปลว่าไปอยู่จะไปย่อมไปเหมือนเดิมคาโมหมู่บ้านเตนะอันเขาคัดฉียติย่อมไป หมู่บ้านอันเขาไปหมู่บ้านที่เขาไปเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์อะไรพวกนั้นนะขยายไปหมู่บ้านที่เขาไปข้อห้าพัชควาตาเป็นตติยาวิพัตแปลว่าอันพระผู้มีพระภาควัจนังแปลว่าคำถ้าเป็นคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าพระดำรดัส วุจติเป็นกิริยากรรมแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวถ้าเป็นราชาศัพท์ก็แปลว่าตรัสมียปัจจัยเป็นจักด้วยก็เลยเป็นวุจติวุจติแปลว่าถูกกล่าวดูนะวัจนงพระดำรัสภักขวตาอันพระผู้มีพระภาควุจจติตรัสอยู่ พระดํารัตอันพระผู้มีพระภาคตรัสอยู่เป็นพระดํารัตภายเงาะประกอบด้วยประโยชน์ขยายไปว่าพระดํารัตอะไรบ้างพระดํารัตที่พระผู้มีพระภาคตรัสพระดํารัตอันพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปข้อหเป็นคาถาโยพาโลมัญตีพะละยังปันดิโตวาปิเตนะโส พาโลจากปัณฑิตามาณีสเวพาโลติวุจติโยพาโลก็แปลว่าคนพานใดคนโง่ใดคําว่าภาระในที่นี้ท่านหมายถึงมันถ้ปัญญาปัญญาน้อยปัญญาอ่อนคําว่าภาระแปลว่าอันทภาละรู้จักอันธภาละไหมอันธะาน ก็คือคนโง่เพราะมีตาบอดเพราะมืดมิดคนโง่เพราะความมืดมิดเรียวอันธพานคือปัญญาจะคิดได้ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรก็ไม่มีก็เลยเรียวอันธภพานละอันธพานภาษาไทยนะคราว่าโยพาโลในที่นี้หมายถึงว่าคนพาลหรือคนโง่คนพาลหรือคนโง่ใน มันญติอยู่ในคาถานี่คือติวัตามานาวิพัตน์ถ้าไม่อยู่ในคาถาก็จะเป็นมันยติอยู่ในท้าคาถาเนี่ยเกิดการทำทีฆะอิให้เป็นอีเพื่อรักษาคณะฉันตามคณะฉันจะต้องทีฆะพอเอามันญติมาใส่มันนับไม่ได้ก็เลยต้องให้ทีฆะเป็นอีจะได้นับครุได้มันญติแปลว่าย่อมสาคัญ ย่อมสําคัญสําคัญผิดย่อมสําคัญพาและยังว่าเป็นพาลย่อมรู้ย่อมสําคัญมั่นหมายว่าเป็นพาลคนพาลรู้ว่าเป็นพาลจะใส่ว่าอัตตานังเข้ามาก็ได้โยพาโลคนพาลใดคนโง่ใดมัญติย่อมสําคัญหรือว่าย่อมมั่นหมายหรือว่าย่อมรู้ อตานังซึ่งตนผ่านและอยังว่าเป็นคนผ่านโส so, คนผ่านนั้นปันดิโตเป็นบัณฑิตวาปิบ้างบุคคลนั้นพอจะเป็นบัณฑิตอยู่บ้างเตนะเพราะความรู้นั้นโยพาโลใหม่อีกเตนะเพราะเพราะเหตุ น, นั้นเพราะความรู้นั้นโส so, ก็แปลว่า คนพานนั้นคนพานใดก็ต้องคนพานนั้นอคนพานใดคนพานนั้นว่าปีบ้างคนพานใดรู้ว่าตนเป็นพานคนพานนั้นพอจะเป็นบัณฑิตบ้างเตนะเพราะความรู้นั้นต่อไปพาโลบรรทัติสองเอาโยมาใช้ใชเดิมอีกเอาโยมาโยพาโลคนพานใดปันติตามานี สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตปัณฑิตตมานีมานีก็คือมานะบวกอีอีแปลว่าผู้ม kind of ีมานีจ EM. ึงแปลว่าผู้มีมานะปัณฑิตะมานีแปลว่าผู้สาคัญตนว่าเป็นบัณฑิตอปัณฑิตมาณะอีผู้สาคัญตนว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าสาคัญตนว่าเป็นบัณฑิตโสเวสะคือโส เราเรียนสนทีมาแล้วจำได้ไหมคำว่า ส, สะนี่คือโสจำได้ไหม <S <S ถ้าจำได้ก็แล้วไปถ้าจำไม่ได้ก็จะบอกให้เปิดดู <S <S สะนี่คือโส <S <S ลบอไอ้ลบโอแล้วลงอาอาคมเราเรียนมาแล้วตอนสนทีเลยสะมุนิสะศีละวาอุทาหอนย้อนคือไีดูสนทีในไวยากรณ์สละสนทีเริ่มต้นสะเว ก็คือโสเวนั่นเองแต่ว่าท้ศน์แล้วมันไม่ตรงคณะฉันมันเป็นขลุทัศเป็นละหูสาเวคนพานนั้นแหลวุจจติย่อมถูกเรียกหรือว่าบันติเตนะอันบัณฑิตวุจจติย่อมเรียกวุจจติถ้าไม่เห็นอะไรแล้วก็แปลว่าย่อมถูกเรียกให้ง่ายนะย่อมถูกเรียกพาโลอิติพาโลติตัดสนที่มาเป็นพาโลอิติ ว่าเป็นคนผ่านว่าเป็นผ่านวุจิติอยู่ข้อห้าอันพระผู้มีพระภาคตรัสไงถ้าเป็นราชาศัพท์ก็ใช้ตรัสถ้าไม่ใช่ราชาศัพท์ก็แปลว่ากล่าวแปลว่าเรียกแปลว่าบอกแปลว่าพูดความหมายของคาถานี้บอกว่าคนผานใดพอรู้ว่าตัวเองเป็นผานคนผานนั้นก็นับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างส่วนคนพานใดสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิต คนพานนั่นแหละท่านเรียกว่าคนพานจริงๆ ง, งานจากไหนคาถานเนี้ยเรานิทานสมัยก่อนสมัยพุทธกาลที่วัดพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถีอุบาสกอุบาสิกาปกติถ้าเช้าไปวัดก็จะไปเพื่อถวายพระตาหารถ้าเย็นไปวัดก็จะไปเพื่อฟังธรรม พยมตกเย็นมาญาติยมพากันไปที่วัดพระเชตวันเพื่อจะฟังธรรมเวลานั้นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนามีโจรสองคนเป็นเพื่อนรักกันนะไปไหนมาไหนรักเล็กขโมยน้อยป้นจี้วิ่งราวย่องตีนแมวเอาหมดทุกอย่างนะขึ้นรถแมลกกีดกระเป๋าก็เอาแต่สมัยก่อนไม่มีรถเม อาศัยความมีฝีมือในการฉกนะฉกทรัพย์สินที่เขาถือติดตัวไปเอาละพิจารณาเห็นว่าชาวบ้านก็ไปฟังธรรมเนี่ยใจก็จดจ่ออยู่ที่ธรรมะไม่ได้ใส่ใจในทรัพย์สินเราจะไปแอบขโมยของเขาก็เลยปะปนไปกับพวกที่มาฟังธรรมประปนมากับพวกมาเรียนบาลีนี่แหละปะปนมา แล้วก็มาคอยสังเกตว่าเ no อาล่ะใครตั้งใจเรียนดีๆเราจะมานั่งหลังคนนั้นเลยเพราะคนนี้มักจะเผลอวางกระเป๋าแล้วก็เผลอไม่ใส่ใจจะตั้งใจเรียนบาลีอย่างเดียวสองคนมานะจนสองคนไปนั่งแท็กอุบาสกอุบาสิกากาลังฟังธรรมมาเทศนาจากพระพุทธองค์ขณะฟังฟังฟังอยู่เนี่ยนะจนคนหนึ่งได้ยินธรรมมาแล้วตั้งใจฟัง ฟังลืมไปว่าตัวเองมาทำอะไรลืมหน้าที่นั่งฟังทำใจแนวแนว่ไปกับกระแสธรรมเทศนาบัรลุโสดาบันส่วนจออีกคนหนึ่งไม่สนใจจะเทศเทศไปไอ้คนไหนเผลอปั๊บไปนั่งหลังอุบาสกคนหนึ่งเห็นอุบาสกคนนั้นอะขอดเงินเอาไว้ที่ชายพก สมัยก่อนพวกพราหมณ์เนี่ยเขาจะ<ม>เขาจะนุ่งผ้าแบบพราหมณ์อะทรัพย์สินเขาก็ไม่มีกระเป๋าหิว้วกระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์เหมือนทุกวันเนี่ยเขาใช้ชายผ้าขอดเป็นปมใช่ไหมมัดเป็นปมแล้วก็ห้อยเอาไวผาไ้ผ้าดไหลพาดอะไรก็ชั่งอ่ะเขาจะขอดเป็นปมเป็นเป็นมวยเอาไว้ยังไงพกทรัพย์สินเอาไว้ก็เลยแอบกรีดขอดผ้าได้เงินมาห้ากระหาปณะนะ ขโมยเงินเขาได้มาห้าคาห้าคาหาพณะสมัยนั้นก็เยอะนะถ้าเราพูดไปสมัยพุทธกาลเงินห้าบาทโอ้ไม่น้อยเลยนะสมัยยมอายุสิบขวบนี่ก็หกสะึงซื้อหมูได้ตัวหนึ่งถ้าสมัยพุทธกาลสองพันปีที่แล้วห้าบาทนี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดา ถ, ถือว่าได้เยอะอะถือว่าได้เยอะกรีดชายพกเขาได้เงินมาห้าค ห, หาปณะ กลับไปบ้านซื้อเหล้าซื้อยาซื้อของกินอะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่วนเพื่อนที่บรรลุโสดาบันและกลับมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยกลับไปบ้านไปคุยธรรมะที่บรรลุมาแล้วให้ภรรยาที่บ้านฟังภรรยาก็คล้อยตามนะโอ้ดีจังเลยดีจังเลยกลับไปบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มาถามเอ้ได้อะไรมาบ้างอะ คนที่ได้ ห, าหา้ากับหาปณะมาถามว่าได้อะไรบ้างบอกไม่ได้อะไรเลยได้แต่ทำพมะอย่างเดียว<ม>เพื่อนก็นเลยล้อเลียนอว่าเจ้าโง่เ อ, อ้ยไปขโมยไปขโมยมาทําไมธรรมะทําไมไม่ขโมยตงังค์ไปขโมยมาทําไมตังค์เห็นไหมคืนนี้อดนะสิสสนี่ข่าได้เงินมาห้ากับหากระปณะนี่เห็นไหมซื้อนุ่นซื้ อ, น, น, อ น, นี่มากินอร่อยอร่อยแค่ไม่ได้กินอะไรวัเลยวันเนี้ยแย่มากเป็นโจรภาษาอะไร พอเพื่อนมาเย้ยหยันอย่างนี้เพื่อนที่บรรลุโสดาบันเนี่ยนะรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเล่าให้พระพผู้เจ้าฟังว่าเพื่อนของข้าพระองค์นี้ช่างโง่นะเขาคิดว่าเขาขโมยเงินได้เนี่ยเขาฉลาดคิดว่าเพื่อนขโมยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยว่างโง่ที่จริงอะ่ะตัวเองว่าตัวเองฉลาดนะจริงๆแล้วตัวเองนะ่ะโง่ ยังเป็นคนพาลอยู่ส่วนเราหาว่าถูกว่าหาถูกเพื่อนว่างโง่เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันบุคคลมันก็เลยกลับกันดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถามขึ้นมาว่าบุคคลใดก็าตามสำคัญผิดคิดว่าตนเองเอพอเข้าใจวิพองรู้ว่าตัวเองเป็นคนพาลคนพาลใดพองรู้ตัวเองว่าเป็นพาล น, นับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้าง ส่วนคนพานใดสำคัญผิดคิดว่าตัวเองน่ะเป็นบัณฑิตนั่นแหละพานจริงๆเลยท่านเรียกว่าคนพานโดยแท้บุคคลนั้นท่านเรียกว่าเป็นพานโดยแท้เป็นพานจริงๆเอาละตอนนี้เราบังทีนยะตอนนี้รู้ว่าตัวเองเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตปัญญาในน้อยของแต่ละคนเนะี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตไม่เป็นอะไรเลยพานก็ไม่เป็น บัณฑิตก็ยังไม่เป็นพานก็จะไม่เป็นเราจะเป็นอะไรตอนเนี้ยเป็นผสมเหรอเช้าเป็นอย่างหนึ่งบ่ายเป็นอย่างหนึ่ง <c oughs> อา้าวอย่าเพิ่งเก็บสิยังไม่ได้แปลเลย <c oughs> เวลาก็ยังไม่หมดแปงแปลไปตามลาดับสุเทนะโอทโนปัจจะเต <c oughs> ไต้องยกมาก็ได้ข้าวอันพ่อครัวหงอยู่ตายสัมปติโยอนุภูยันเตสมบัติทั้งหลายอันท่านเสวยอยู่มยาสุขังอนุภูยติความสุขอันข้าพระเจ้าเสวยอยู่เตนะคาโมคัตชียติหมู่บ้าน อันเขาไปอยู่พระควตาวัจนงวุจจติพระดำรัตอันพระผู้มีพระภาคตรัสอยู่โยพาโลมัญญตีพาละยังปันดิโตวาพิเตนะโสพาโลจะปันดิตามานีสเวพาโลติวุจจติ คนผานใดรู้ว่าตนเป็นผานคนผานนั้นเป็นบัณฑิตบ้างเพราะความรู้นั้นคนผานใดสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตคนผานนั้นแหละท่านเรียกว่าผานท่านเรียกว่าคนผาน ยังไม่ได้เขียนคําแปลใช่ไหมเอาเขียนคนพาณใดเขียนโวหารโวหารคนพาณใดย์ทองรู้ว่าตนเป็นคนคนพาณใดรู้ว่าตนเป็นพาณคนพาณใดรู้ว่าตนเป็นพาณคนพาณใดรู้ว่าตนเป็นพาณคนพาณนั้นเป็นบัณฑิตได้บ้างคนพาณนั้นเป็นบัณฑิตได้บ้าง เพราะความรู้นั้นเตนะเพราะความรู้นั้นคนพานนั้นเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะความรู้นั้นส่วนคนพานใดออกมาจากจะเนี่ยนะส่วนเนี่ยนะส่วนคนพานใดสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตส่วนคนพานใดสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตคนพานนั้น คนพานนั้นท่านเรียกว่าพานแท้แท้มาจากเวนะแรนั่นแหละคนพานนั้นแร่แต่เราไม่แลแล้ว เ, เอาแท้ทีเนี้คนพานนั้นท่านเรียกว่าพานแท้พานจริงๆอืพานสนิท <ไป S 1> เลยเหรอ <ไป S 1> เอาล่ะพอภาภาษาไทยเป็นบาลี การรูนาเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีมีสามข้อกขอคดูข้อกก่อนบุรุษชั่วนั้นอันน้ำย่อมพัดพาไปบุรุษชั่วถูกกระแสน้ำพัดไปบุรุษชั่วเป็นประธานน้ำเป็นตัติยาวิพัตปิริยาต้องเป็นกรรมเอาตัติยาวิพัตขึ้นก่อนเลยก็ได้ อันน้ำอูทเกนะอูทเกนะอันน้ํามีตั้งเยอะแยะอุท่เกนะก็ได้คําอื่นๆก็ได้อันน้ํานธะิยาอันแม่น้ำอ้าวบุรุษชั่วนั้นบุรุษชั่วแล้วก็นั้นด้วยบุรุษแล้วก็ชั่วแล้วก็นั้นโสรปาโปบุริโส เอานาทียาเลยเหรอแม่น้ำพัดเหรอไม่ใช่น้ำพัดเหรอท่านนาทีนี้แปลว่าแม่น้ำโอทกเกนะโอทักเกนะคนคนเดียวแม่น้ำน้ำไหลน้ำพัดไม่ได้น้ำเดียวย่อมพัดวิหะเตวเวนสระอุยอยักษุดหะแล้วก็เตวยหะเตแปลว่าถูกพัดแปลว่าอันน้ำย่อมพัดไป วุยหะเตยะเนะ่เป็นกรรมปัจจัยวุยหะเตเขียนไม่ถูกเล้ ว, วุยเนี่ยว่าแหวนสลูยักษ์ก็พูดให้แล้วนี่นะกลับหน้ากลับหลังระหว่างหะกับยะวันก่อนอะธิบายวิธีหนึ่งแล้วทั้งประโยคบอกว่าอุทะเกนะปาโปโอะโสปาโปโสปาโป ปริโสแล้วก็วุหาเตปาปะประปิโสก็ได้ปาโปรปริโสก็ได้หรือปาปโกก็ได้ความหมายเดียวกันวะหาทาตยะปัจจัยเตวิพัตเอาอะที่วะเป็นอุเลยเป็นวุหะใสยะแล้วก็กลับยะหาเป็นหายะเลยเป็นวุหาเตนะวะหาอะเป็นอุ หายาเป็นยะหะก็เลยเป็นวิหะลงเตวทีัดกัเป็นวิหะเตยแปลว่าถูกพัดไปต่อไปข้อขอน้ําปานะอันภิกษุทั้งหลายกําลังดื่มน้ําปานะถูกภิกษุดื่มเอาภิกษุทั้งหลายก่อนภิกขุมีภิกขุหิอันภิกษุทั้งหลายน้ําปานะน้ําปานะ เอาปานางนี่ก็ได้เอาปานังนี้เฉยก็พอส่วนมากน้ําน้ําดื่มเนี่ยมักจะเป็นเอกพจน์ไม่เป็นหูพจน์ปานังกําลังดื่มกําลังดื่มดื่มกิริยาว่าดื่มครับนอนหนูครับถ้านอนเนนแปลว่าสัตว์ครับเดี๋ยวจะกลายเป็นพระดื่มสัตว์ครับนอนหนูแปลว่าน้ําดื่มถ้านอนเรนแปลว่าสัตว์มีชีวิตวัน ปีวันตีไม่ได้ครับ เ, เ, เอาปานังนะครับปานังอเอกพจน์ก็ต้องเอกพจน์เอาไปตังทําไมล่ะเหาปาจียเ ต, เยเตก็ได้เอาน้ําปานะอ <c oughs> พีทต้องหลายหุงเลยครับ <c oughs> จะต้มน้ําดื่มใะ่ไหมปีวนัวนตีไม่ได้ครับ ป, ปานังครับปาหนังเอาปีวันตังได้ไงล่ะครับปานังเป็นเอกพจน์อันตีอันตังอะไรมันเป็นผงอุ์ทั้งนั้นแหะ อย่าลืมลองยักปัจจัยเอางี้ละกันถ้าดื่มไม่เป็นกรรมเป็นกัดเฉยๆเนี่ยบาลีว่าไงปิยเตก็ได้อ๋อเป็นปีใช่ไหมปิยเตก็ได้ปิยเตก็ได้ปิวิยเตก็ได้ <c oughs> ปาธาปาธาปาปาเนในการดื่มคิกขูหิปาณ์นังปิยะเตหรือปิวิยเตต่อไปข้อสุดท้าย ข้อขะพระธรรมเทศนาอันอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายฟังอยู่ <c oughs> พระธรรมเทศนาก็ทับศัพท์เลยว่าธรรมเทศนา <c oughs> นานี่แหละครับไม่ต้องนั้ง <c oughs> ธรรมเทศนาอันอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย <c oughs> ถ้าจะเอามาใ้ครบแล้วก็บอกว่า <c oughs> อุปาสกอุป <c oughs> อุบาสิอะไร <c oughs> เอาคำไหนตามหลัง ถ้าเอาคำอุบาสิกาตามหลังต้องเป็นอิธีลิงถ้าเอาอุบาสกตามหลังต้องเป็นปุงลิงทาเอเกเสดเหลือคำเดียวว่าอุปาสเกหิอุปาสเกหิฟังอยู่ฟังอ้าวสุนันเตอีกแล้วธรรมเทศนากันเดียวไปสุนันเต ท, ท่านทำไมชอบอันตีอันเตเรือยเรืนอสุนยเตก็มี <laughs> สุยยะเตครับ vale. ออกเสียงเหมือนกันสุยยะเตก็สุยยะเตเหมือนกันอุปาสเกหิตธรรมเทศนาสุยยะเตสูยะเตอุปาสเกหิตธรรมเทศนาสุยยะเตธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาอุปาสเกหิตอันอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายสุยยะเตฟังอยู่ย่อมฟังจะฟัง สุครับสุสถ้าเดิมคือสุธาแยาปะปัจจัยแล้วมีการทีฆะอูเป็นอูครับแต่ถ้าวงยะซ้อนอีกตัวหนึ่งเป็นสังโยกก็ไม่ทีฆะเป็นรัศมะเหมือนเดิมถ้าไม่มียะก็เป็นอูถ้ามียะสองยะก็เป็นอูอะไรอันนี้เป็นเป็นฝึกทักษะเฉยนะแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาบาลีเนะี่ยฝึกให้รู้ว่าไทยบาลีบาลีไทย แปลทั้งสองทางอ่ะคนจะแปลเนี่ยต้องเก่งสองอย่างเก่งทั้งภาษาที่เป็นตัวเดิมและเก่งทั้งภาษาที่จะเป็นตัวแปลถ้าเก่งภาษาเดียวแปลไม่ได้